หาในไปอยู่บ้านี้ไม่ดีอนาคตก็ไม่ดีเนี่ยนี่จังหวะให้แก้ก้อนมันไปก่อนนี้นายกง่าจังหวะมาถามปัญหาทำไมตัวแก้มันร้องดังนักเนี่ยน้องตัวเนี้นอนฟังแทบเหนื่อยไปมันเข้าเท็บมาจะอยู่หัววาอ้ า, อาวหัวกัน เขาเด็ชาวอ้าไม่โฟกัฟฟไม่ไดีละเป็นไม้ทํ่ไมเสียงตบแก้มเขาได้นเนียวันนี้นี่นายยกไปทำไมล่ะตบแก้มร้องคือปัญหาถามเวลาเ น, นี้ยให้ฟังเอาเรา ล, ลีแก่นะจะเบิ่งต้อนเออเบิ่งเสียงล้องจักจั๊กจักจักเ๊เพิ่งจักเนี่ย น่าคนจักหนึ่งเวียนไหวอยู่เนี่ยจักจักระับแก่ทำมากลับแก้แล้วกลับมาแก้ใจเราเนี่ยเออตายเป็นตัวแก่ตาโลโตลายแล้วไม่แก้ไม่ได้ทําอะไรเป็นเป็นตัวแก่แล้ว อ, อ้านีลักไปลงนั้นนั่นลงนนี้คลองนั่นคลองนี่แล้วเออคลองบ้านคลองช่องน้าตายเป็นตวัวแก่อิ กับแก่กับแก่มันไม่แก่จะทีเลียมาแก้แต่ต้นมันเตอมาแก่นิ้ำมันก็ได้บัดขนาคตต้นมันดีล้ปลายมันก็ดีนี่เราไปแก้แต่ปลายจะได้หระต้องแก้ต้นมันดิสมุษฐานมันเกิดจากไหนเล่าทุกทุกทั้งหลายดีชั่วทั้งหลายมันเกิดจะดวงใจเราเนี่มันจะเกิดจากที่เราเลีบมาแก้นะ้ ใหลับความสุขรับความสบายในปัจจุบันในบนหน้านี่มันเป็นอย่างนี้เขาจาพวกเราฮะย่ยเราแก่มีนขัดนะบ้านเมืองมันวายขาเล็กน้อยเฮยจะกินนี้ น, นีทานชมเด็ขพ้นว่าแต่ก่อนเขาตีพ่อเอาจริงๆริงเหรอตีพ่อเอาจริงๆงเหรอนี่เหน็นแบบที่เราได้เขาจะเอาจริ ง, รงน้งตายมันบอกอย่ว่า เอาจริงนี่ะหลนะข่าทาหารตายเป็นกองกองเของเด็กน้อยแหมนึ่ประมาทสั้นติพวกเราเออจะประมาทแม่คนประมาณก็ตายแล้วสินมต้มตองแก้แต่ต้องมันสิแก้กนไม่ได้แก่ต่างคนตงแก่ต่างคนต่งสองมันก็สองแล้วนี่เราโดนเนี่นี่ลาให้ดูเอามไม่มีเรื่องไม่มีอะไร จิตเราสงบแล้วกายวุตาจิตวิตาเบาตนเบาโตเบารากเายหายทุกข์ความทุกท่าละโมกหายความทุกข์ความตนท้ายความอดความยากหายความชุบความยากทุกข์ไร้ขุดโถใจเบิกบานพุทธโยใจสว่างสวย วุธโธใจายใจศาสตร์แฮมใช่ทุกแน่ให้รู้จักไว้ถ้าจิตไม่สงบมันวุ่นวายเกิดร้อนให้ทุกให้ยากนับให้ง่วงให้ง่วงให้เขาให้เจ็บให้ปวดแฮให้เกิดโลกเกิดภัยเกิดกิเลสจังไรเกิดความชั่วช้าลามกจิตสงบเมื่อเกิดแล้ว เราคัดตรงโน้นกับปดตรงนี้นราคันตรงนั้นนะเจ็บหูเจ็บตาเจ็บห้องเจ็บชายไปแล้วนี่นะเจ็บบันล้ําเจ็บบันเยวเจ็บแขนเจ็บขาปวดนอนปวดนี้นยใจไม่สงบสงใจไปโนนไปนี้มันก็วุ่นวายจะร้อนเจริญใหรูจ้จักนี่ยันมดไผ่มัดเปลี่ยนทำท ำ, ทำสบำทงบมดกรรมมัดเคราะหตัวนี้ไม่ทํากรรมกรรมมันจะมาที่ไหนเรา กรรมนันสะเติมทีกรรมเป็นของของตนต่อไปพากัรในพนึ่โลกพึงใจพวกเราขับแก้มันแก้ต้นเนี่ยไปแก้งกลายมัน อ, ออาจารย์ใหญ่ตีมือตีทหารมันแห่วิ่งเร็วไอ้อซีซัมบาทเดียวงานเวลาเหมันก็บเขาข้ามระปูทิ ด, น, ด, น, ดนั่นตินนี่ มันกำไมตายทีผมมีปัญญายักษ์นาอกมันเซ็ตนี่มีตาละเติเกิดไหนเล่านี่รู้จักเราเหมือนกับไฟนี่ลูกเาจะไปดับตรงไหนล่าผมไม่มีเป็นดับนี่มันจะดับแล้วเฮ้ยมันพุ่ไปทางไหนเนี่ยนี่ผมมีปัญญาส่องมองดูปัญโกนวอมดูด้วยเกิดตรงไหนล่า ไววพระนครสว่างประดับตรงพระยังตรงนี้ผู้มีปัญญาไมิลาบอกทุณพเวรมอบบทบาลีนะตะักอดุดเบพระนครนไหนเล่านิมาัติักดวงใจเบ็ดที่สามโลกนะร่างไงเ น, น, นี่ยประดับนี่ยดวงใจแห่งเดียวปรดับมอทุกข์ทหมายใจไม่ทุกข์โดยไรทุกข์เอาวางด้ว นะใจไม่ยากเจริญไมยากการงานก็ไม่ยากเราทําการทํางานทงานทำเราเรื่องตีนี้หาเงินหาทองไเงินหาเราเราหาเงินเรารักษาเงินเราใจเราดีเงินก็ยนดีเงินก็ดีการงานก็ดีใจไม่ดีเงินก็ไม่ดีการงานก็ไม่ดีลองดูสิเลยดว่าไงาหมค่ะเนื้อราคาถ้วด อนี่ยที่นั่นไม่มีี่นไม่มีทีอะไรเขาไม่ได้ว่าอะไรเงอนเขาไม่ให้เราไปหาคนละเออจะมีสัหาค่าตีมือใช่หรือว่าันสั่นเขามิเขาบอกว่เราลักที่ละหรือว่าไงเนี่ยเราไมรยกมลักอีนเงนละไม่จักไว้ผมไม่้องบอกให้เรารักแท้เออขานจริงเขานะแต่มื่ทคืนไปรักอีีปากเือะมันว่าเฉย นม่นหลักเราอยากได้เราอยากดีอะให้ดูต้นมันนะเหมือนกขาฟูงอกทุเรนเขาไม่รักษาปลายมันรักษาต้นคนมันเขาใส่คุยใส่นา้ารดน้าโคนมัน น, นี่ควนมันดีแล้วไม่ได้บอกนหลอผลงามเองต้ตนไม่ดีคนไม่ดีแล้ว แมมันก็มีดอกมีผลแท้มีละสันใดมือจับของดีเออใจลรวดีน่ยของดีสันีงายองไม่ดีเป็งไงล่ละใจลรวไม่ดีเนี่ยของไม่ดีจะนปาความไม่ดีตรองคว้ า, าการมันก็ไม่เห็นแท้ะจะหาความดีตรงคว้ า, าการมันก็ไม่มีแท้ะจะหาสุขทำสิ่งนู้นสิ่งนี้มันก็ไม่มีจิตงบใจล้วสงบแล้ว เนี nee, semua ang, ่ยเงั้นใจเราสมบูแกมรับความทุกข์คสลายเอาใจยังของเราเนาะไนอ่ะกเนี่ยจใจดีโ่ละนจาพแก่อืมีนนี้บ่ใจไม่ดีนยอะืมเมื่อนุ นื้อดูนอนตายนี้อตาจตยนี่แก่เรงมีลมเยอะเหรอนื้ไนมันตายผมอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาน่ยเตใหญ่ดีไหล่ะหอมป่ะใจไม่ดีลมเยอะก็ไม่ดีทางไง ใจดูรวงเลยก็ดีเก็บไม่คร่องแคลยย่วนะล่ะเรื่องไงเยนะใจไม่ดีรวงเลยก็ไม่ดีดเก็บไม่ก็มีดีใ่ไหมล่ะอนั้เงินก็พิษ ไ, ไม่ดีรู้ไหมถอนเงินก็ไม่ไมไถูกเนะนะ้วตอยาดีกจต่อไป เอี่็นง่ายตรงนเลยคมันสุเลยใจดีมากเออควาดีรู้ไวจริงอืมนั้นเขาใจพอไหมเราพวกเราทั agua, ้งหลายเนื้อทั้งวงใจว่ะตรงไงเออมันมาหาความดีหาบุญอากรรมมาสวงหาบุญไก่แสวงไก่เออทัรงวงว่าไงอ่ะ งานใจดีแล้วแล้วก็มีความสุขความสบายฮัลโหหาวความสุขความสบายเมื่อใจไม่ดีแล้วมันก็ไม่รับความสุขความสบายนี่มันจะเป็นบุญเป็นวาสนาคุณนคือความสุขบุญนคือความเจสบายใจของเราเมื่อใจสบายทําอะไรก็สบายอธิบายไปแล้วการ ง, งานก็สบายทำอะไรก็สบาย ครอบครัวเปนสบายชาวบ้านล้านประกาประเทศชาติเป็นไงมีละเราทั้งหลายยาประเทศชาติสงบชาติความเกิดมาแล้วถ้าเราไม่สงบอะไรสงบถ้าเราสงบตั้งนี้แลบร้อยนีแล้วถ้าประเทศอื่นมาแท็กแซนเข้ามาแท่ที่ซุกกินรับรองไม่เจอสิเนา ะ, ะเราจะทำอะไรได้เราไม่มีอะไรนี่เราไม่ดีแงกลับรองไม่ได้สิ ทางคนทำดีแล้วมันต้มีอะไรนี่คนเขาก็อยัตติมันจะลักใครไม่ยากดีนะเออเขาทําลายคนม่ดีหรอกว่าไงนะเขาเกลียดคนม่ดีนี่หรอคนดีจะเกลียดไหมล่ะแหม่ทาดีให้สี่ฟังนั้นล่ะเออยันงั่นไปเขาสายไหมผมครูกมันนะอริศยา เมือไงใจดียังเกิดนะาดจดีมัน ก, ก็นดีกันตั ว, วใช่ไหมล่ะคนก็ชอบใจดีหรือชอบคนไม่ดีนะชอบไม่คนไม่ดีแหมชอบของเราก็ทำดีคนคนดีชอบไหมล่ะง้าแล้วก็เป็นคนเขาก็เป็นคนทําดีมีใครเห็นจะชอบอยางที่ เริ่มเป็นอย่างนี้มันรลักอัตมาเขามาขอขึ้นมีชูปากหนะ้ามหานิยมไเมื่อจะได้มหานิยมนะทำดีมาพึ่ดีคนก็นิยมกันที่พึ่นนี้ทำดีนอนตะวันเชียนมไม่รู้ใครจะเป็นนะป น, ปนิยมนะถูจุดปากรลาะมไม่มีใครนิยมว้ารู้ว่าไง เนีอ้โหสมมว่าเราฝีกเนี่ย อ, อยากได้ผัวก็ผัวผู้ดีไม่ใล่หออ่อาผี้ีก็คือขายไอ้เจ้าปัญญากับไผูดีม่อแล้วทำดีนีผู้อยได้นะ อ, ไดอย่างเ้อู่ถูกขี้พึง่างเนี่ยขี้พึ่งก็ได้ถออย่างเต้อ่าหาที่พึงตอนเต้เออคุณหาไม่ยอมีนตนนัวใส่บ้าล่ะ น้าให้ขาพุ่นเขามีชื่อของชื่อยังโซชิระพับของชิระเอาคอยก็ย้อนฟิมให้ปุ้ยในชิร่าเยเะแต่ว่าไม่ไกลเลยคอยเส็นด้วยึงเป็นคนนั้นน้าเาจะได้ตัวจะดีทำดีน้าคนเราต้องการทำดีอันนีาจับไว้พากันทำดีประพฤติดีปฏิบัติดีแล้ว คนนี้จะพูดยังไงเจ้ทำไม่ได้ตอนนี้ยาวใจไปไว้น้มันน้นนี้น้ำใจไว้นพุธโธนี่พุธโธไม่ใช่เป็นของยากพุธโธไม่ใช่เป็นของมืดพุธโธไม่ใช่เป็นของชั่วเพุธโธไม่ใช่ของดีพุธโธดีก็ไม่ใช่ชั่วก็ไม่ใช่สุปก็ไม่ใช่ปุกบก็ไม่ใช่เียกนามพุธโธ ก็ดีแม่รู้จักตรงนี้มันเดีกระเบาออกเบาใจสบายหันหันละความดีหายทุกข์หายยากหายนิดหายเมื่อยหายเมื่อยหายหิวหายทุกข์ายยากหายลาบากลาคาญพุทโธเบิกบานแล้วไงกายวุตตาจิตวุตาจิตเบากายกะเบาไงกายมุทุตาจิตธรรมทุตา เมื่อคิดอ่อนแล้วกายก็อ่อนไม่ใช่อ่อนแออ่อนนิ่มนวลเหมือนกับตำรียิ่งบนตำรีแน่แหมไม่เกิดแข็งกระด้างไม่เป็นคนดื้อไม่เป็นคนด้าไม่เป็นคนขี้เกียจไม่เป็นคนขี้ค้านตายมันอ่อนนิ่มนวนลเน่ยแน่ใจมันดีดีงามแน่รู้จักเนี่ยหายวาณที่จิตเป็นสติงะเมื่อคิดสงบแล้ว โลภัยภัยเกดกเกมันก็นสงบกิเลสจังไรมันก็สงบมัดระงับดับมัดทุกขังหลาย น, นี่รั ก, กในตากกันในเพิงรู้เพงเห็นตัวพวกเราเอี่ยาบไปแต่วันนี้ต่อไปใจไม่ดีก็พุโทโธขึ้นมานะมันกิเกกิค้าก็พุโทโธขึ้นมาเนี่ยให้รู้จกักไว้มันีโผผีโผสาวพาพาไฟชงพุพพงพโทโธขึ้นมาเนี รู้เอเอมนขี้เกียจขี้คันพุทโทขึ้นมาเดี๋ยวพอขี้เกียจดีไหมล่ะไม่ดีไม่ใช่หรอไม่ดีมันก็เลอะขึ้นอันนั้น จ, จับไม่ดีแล้วนพุทธโทแหน่งผู้รู้ขาดพุดโทโธเนี่ยวทำอะไรเปลยนน เ, เรื่องเราเล่าเรีอกนกันอยากรู้ทำอะไรกันอยากรู้รู้จักเน่ยนพุทธโทนะ งั้นเนะเข้าใจต่อไปนะแต่ไงเราเนี้ยเราจันคิดปวดคสหายยังแน่พุทโธมก็ขายจะเป็นให้ต่อไปนะเคนวาง่ายสอนง่ายนะ้าบอยซักวอง ย, ยุบจะยุบนะ้เฮ้ยเราเป็นไม่ได้นะว่ายากสอนอยากไม่ได้นะอืมพเ จ, จา้าพูสอนเด้แหน่เรามาทำเพื่อระงับ พิเดียลระงับดังไล่รงับคว า, ลลามชั่วช้าลาหมกโดยทาบุญล้างบาปล้างบาปไม่ทําบุญล้างบาปมีล้างโดยน้ำโดยค่าอิจเราสงบหนึ่งสบัติรันบาปก็หายไม่ได้ไมันได้รับแต่ความสุขไม่ได้รับแต่ความสบายเลยนะเราล้างบาปล้างกรรมไม่ล้างด้ยวยน้ํา พอจิตจะสงบนิ่งสบายนั่นความชั่วต้องลายมันก็ดับวนี่ถึงนั่นแหมทากนรู้จักไม่มาทำบุญทำกุศลมาไกลแสนไกลเอมาเสียเ ป, เปล่าๆนั่งลังคดลังโขเจ็บบันเอวเสียเ ป, เปล่าไม่ได้นะรู้จักเชี่ยเออขอสำคัญนะใจเทสนายฟังหลวงพ่ อ, อเทสนาะเป็นอย่างนี้ละ โอ้ยน่เทพคือคุณีนด้วนะว่าไงเทพก็บอกสอนรู้จักดีหรือจักชั่วเทศเหมือนกับยอมสอนลูกสอนเต้ามันไม่ดีตรงนั้นสอนมันนี่ยอมไม่ดีสอนทังดีเลยนี่มันสั่งสอนศาสตร์หนาประดุขคำสั่งสอนแหม่สอนอะไรความชั่วสอนอะ้รทำคนดีสอนให้พ้นทุกงานจริงนั้นล้าศาสนา มีเพราะว่าดีศาสนาไม่ดีนั่นศาสนานที่ไหนไม่ดีะอะไรเป็นศาสนาแล้วยู่ที่ไหนศาสนาะรูว่าอากาศเป็นศาสนาทุกต้นไม้ภูเขาเราก็เป็นศาสนารูบ้านเมืองถนนหนทางเป็นศาสนาแน่ดูวังหลวงปู่ติสลาลงคำรรบวชมิหารเป็นศานสานาศาสนาคำสั่งสอนสันนิยายเล่า สอนกายสมารจาร่างคนนะสอนกายสมารจาร่างคนรวมแล้วกกายวา จ, จยาใจนี้เป็นพระพุทธศาสนาไม่ใช่ดินเป็นพุทธศาสนะ์นมันยากจะตัวนี้ทำ ม, มีหนักแปดหมื่นสีพันมาทําขันท่า น, นมายัดตรงนี้สอนบรกยายวจาใจให้รัความชั่วความชั่วอยู่ทืออยู่ที่กายที่วจาใจร่งคนนะไม่ใช่ื่นชั่ว สนละคนชั่วสอนละเพื่อใดปวเราทุกปวดเราแย่ปวดลาบากลําคาญปวเราอดเราจนปวเราตกทุกข์หรืย่าเนี่ยเป็นสอนนั <re>. ่ละความชั่วเท่าน <f. S 2> ั้นเนีไม <newspaper>. ่ใช่อื่นชั่วฟ้าการมันไม่้ชั่วอะไรตายคนติ่มทุกข์มันยากตายคนที่มีดีอันแรงมันชั่วนี่ตรงนั้นเนี่ยเปนสอนกายสอนใจคนทําำงามก็ดีเนี่ยไม่ใช่อื่นดี ดีใส่ฝ้าอากาศดีตนไม่ปุกคอรบดีใจคนนั้นแหดีเมื่อใจคนดีแล้วมันก็มีความสุขความเจริญนะมันสอนมัมีความสุขสอนมีความเจริญนี่ศาสนาเป็นอย่างนี้คนว่าจะทําลายศาสนาเฮ้ยทําลายหัวมันทำายศาสนาทำลายอะไรกันเนาะว่าในเขาว่าคนดาศาสนาชมทุ่งสนามหลวงดาปุยวันเพราะบิดาไส้ทุ่สนามหลวง ศา ส, สนาทุ่มฉลานหลวมันจะไปดาด้าหัวมันทั่นเองล่ะด่าไปดาว่าเราไปดิสุบกินด่วยลงรู้สร้างบาปสังกรรมมาพอยีเออใครกำลังเกียดแล้วปากไม่ดีพูดไม่ดีว่าไงล่ะเออเหนไหมล่ะอนี่ยนี่นาดสาการวาจาใจเรียบร้อยอันนั้นกายก็ไมวจามืก็เรียบร้อยไม่มีไม่เรียบร้อยถึพูดอย่งนั้นว่าไงนี่ ใจเรียบร้อยหัวใจเรียบร้อยเนี่ยเราก็ต้องการางั้นคนเราทําหายใจเรียบร้อยอ่าสอนอยิงน่งได้ยั่งเราใจดีทพกคหรือยังนีมันไม่ดีตรงไหนเลาจะแก้ไขนี่ตัวแก้มรองกับแก้มมาแก้แต่ต้นเนี่ยตายเป็นตัวแก้มันทําอะไรไม่ได้เลยตาโลดตัวไร้แก้อะไรแล้ว แน่ไม่ได้แก้แก่จะเสรินแก้มแก็ไม่ได้ทีเออเรานียมาแก้เดี๋ยวนี้นะตามันโลโตมันลายแล้วันแก้ไม่ได้เลยแก่แม่ที่แก้แต่ต้นนะหลวยาถึงปิดตาโลโตลายไหยเออมิตรสอน่นดอกไม่แก้ครับว่ามันซับมันบรรยุทธ์แก้แก่ตัวแน่รู้ว่าง่าล่าน้อง ไปแก่บดชิงไม่ดียางคนนี้ต่อไปว่างไงล่ะมีหลสอนตรงนี้ดีล้วันนี้ใจยังแน่ขึ้นไม่ดีพัว่านมันไม่ดีเป็นทุกข์หล่ะเแย่ไม่ดีเป็นทุกข์ไหมล่ะแน่แย่ดีเป็นสุขไหละ แม่ดูสิพอตโตีม่ดูอะไรที่ดีคน ล, ละหาศนะ้าดีนี่ดีหาไ ม, ม่เจอรักใจเราม่สงบเรียนทเรียนไปนอกนก็ไม่ได้ตัวามาในกวน้อคมามเรียนทมเรียนในหละ่ะ เรียนกายของเราเรียนวาจาแสงเราดูกายดูวาจาแสงเราเมื่อประใดเห็นสังขารร่างกายเราแล้วเวละคนนั้นเห็นธรรมเนี่ยพระใดเห็นธรรมคนนั้นเห็นพระพุทธเจ้ารู้พระพุทธเจ้าเห็นรู้พระพุทธเจ้าคนนั้นจะเข้าสู่บริภานดับทุกข์ธรรมตสงสารจะมาเวียนว่าตายเกิดทิศนะนี่ละพาก็ะเนื้สลับแล้ว ในวาสาสนีนเป็นธรรมะคำส อ, สอนนี้เดนนามาสี่แจงแสดงให้ฟังแล้วทางไกลทางไกลทั้งในทั้งนอกรวซาลูโฟข้อใจความแล้วในพระพุทธศาสนาคือกายกับใจนี้เป็นที่ตั้งในพุทธศาสนาคือกายกับใจนี้เป็นที่ตั้งแห่งมรรคผลเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วโยนิโสมนสิกานพากันกำหนดกัแล้ว นำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนต น, ตนเป็นปัญธรรมคำสอนแต่นี้ต่อไปเมื่อท่านทั้งหลายไม่มีความประมาทแล้วจะประสบขอบเห็นแต่ความชุขความเจริญดังมีสแสดงมาทีวังมนด้วยปกาและเสนีกัต <c oughs> ตาโรธรร ม, มาวัชชนติอายุปโนโสุขามากลังระเกยดหลายไงเป็นหน้า ไงไียังใจดีไงเนอะม่อเคราเห์ยังนะเลาานวังนิทานสีกรนไสไงทำไรในมัดเคราะห์ทีสันว่าไงใจดีมัดเคราะเอน่รวมยังสั้น นี่รีกนันชัยคนหนึ่งแลุกราชาไปเห็นรอยอกเกศเห็นรอยอกเกศเนีเ่นรอยอะไรรอยเก้เนี่ยเป็นตัวยังไงเออมันไปยังไงเป็นตัวจย่งรู้ตมันมเนห็นเห็นแตรอยมันดักว่องมที่ดักถุงืนดักถึงป่ายไม้หงอดไม้แม่ ดักเธอไปายไม้พอแล้วคนหนักบอกโฮกเลยแหน่อีแก้ ม, ข, ม, ม, มขึ้นต้นไม้อย่างไรเออว่าง่เอาส่ฟาดม่ขึ้นต้นไม่ย่งี้แน่เนี่ยลูกเสนามาดไปลอยอะไรเก่ง ทอท่านเลยในตมันรั ก, ก, กร่วมพัะพักเสด็ินพี่เจ้าคุณนะรักเสด็นเพราะเราผูหกลราดุูราชาตายเราเนี่ยเป็นไงเนาะว่าพระพุทมันจะมายามามันจะมาสาย ม, มามากั น, น, กนลึกพวกเรามาบัตรทุกของลูกนันเดชเจ้านามาด้ะโอ้เราผู้ฮกกรยงพญานลูกจเจ้าอยู่หัวหนั้น เลยแกุ่นแขนต้นจนไมพุ่นแเหัวเมืองดีฝากสาตัดสินได้ที่ชุดของไขรรับที่ชุดของใครใครตัดสินก็มาได้ลโย่ใครบอกสีขรุนใช่มาไปเส้นเมีองมาไปตัดสินบอกแล้วใบอกบอกแล้วแล้วไปตกอน มาพันไม่มาสักทีเอาไปตามอีกที่สองไปตามอยู่ทำไมไม่ไปเดียจุดเอาไปก่อนอ่าไปก่อนไปแล้วค่อยมาสักทีไปตามอีกสามครั้งสีครั้งเดกเยาเป็นมาสักทีอันนี้เอาดาบประคันเพราะเมื่อ่ มันไม่ว่าปรห า, ลลารหาลด้อคดับคันไเสียงบอกไมไปเราไม่ไปปะหานเดี๋ยวนีเออนันก็ไปแล้วสิประหา น, นไปแล้วเขาไปเชิงถามเนี่ยเอาเสียงทาไมไม่มาบอกหรมาทุกทีมาที่แรกกันนะมาแล้วโป ไ, ไ ป, ป ไ, ไม่ดีดคุนๆไฟไม่าโอไปเคาะยันไงเลย กลับไปลดน้ำมนันดีวัตสุดวะเนี่ยเออกลับไปลดน้ำมันน้มานมัดีวัตสุดมันอเป็นคอรแล้ว่ไม่คิดใน้จน้ากลับมาแล้วมาที่สองเนี่ยมารดน้ำนวมัแล้วสนกลับมาอีกเพ ร, ราะต้นไม้ตายอตรอดนงเป็นใบสบายาบาไม่มันเ็มันรว่านกลับไปลดน้ำมนันอีกสินอกนกลับไปลดน้ำมนันอีก เออแน่แล้วน้ำมันกับเนื้น อ, อ, อ, อบดคอแล้วเพราะว่าที่สามมาอีกมารรมพราะถึงกากเล่นแ ม, นมน่น้ำแห่งปลาซิวก็กิดดอกประคับฉับเส้าต้นพหัวข้ออยู่บดกับไปลดน้ำมนันดีเลยแน่จังมาบานนี้สำหรันบนี่นะจังคอยมาเเนี่ยมันไปมหาปัญญาอย่ มีแต่เสี่งมันกับเป็นอย่างนี้ อ, น อ, ยยละละอ้าวใครเคยเห็นไฟไหม่ขีดไฟขี้เล่ะอาจแก้ปัหนี้ได้ไฟไหม้ขีดคงเหลอดเราทั้ททงหลายมีแต่ศึกษาแต่มีแตะฟังเรื่องศาสนาสุกษา ใจจะศึกษาเ ส, สวยๆและการจะฟังมาเรารู้เราเข้าใจพุทธศาสนาถามทีแท้พุทธศาสนาอะไรเป็นศาสนาเนี่ยพากันศึกษาศาสนาฟังศาสนาถามหาโตพุทธศาสนาเราอยู่ที่ไหนล่ะประเทศเรานักถือพระพุทธศาสนา อะไรเป็นศาสนาดเดี่ยนีะมันอยู่ที่ไหนที่ตั้งแห่งพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าวางศาสนาไว้ตรงไหนเล่านี่แต่ในคำมคคุณท่านบอกว่าเอหิปสิโกเอหิพีโกจงร่องเรกสัตว์ทั้งหลายมาดูธรรม ทนไม่ไปดูธรรมท่านมาดูธรรมอนนี้ดูธรรมกับทำที่ไหนเล่าตัวรูปธรรมอัตภาพร่างกายเหล่านี้รูปธรรมนามาธรรมคือดวงใจงเรานี่ทันบัญญัติศาสนาตรงทีนี้ธาตุทงสี่คันท้งห้าอาญานะทางห นี่ทานวางศาสตร์นาไวตรงนี้ท่านไม่ได้วางที่อื่นเนี่ยพากันน้อมครูปรัญญิโกยน้อมเข้ามาให้พิจารณาตรงนี้มาเรียนตรงนี้ถ้าเราไม่ได้เรียนตรงนี้ไม่เห็นตรงนี้ไม่ได้ดูตรงนี้แล้วเลยพากันหลงวุ่นวายสุวันนี้ถ้าพากันยักษสเน็ตนักสเน็ตพลหาต่องการ หาความสุขหาความสบายใครทำอะไรก็ดีพระไม่ได้น้อมเข้ามาถึงตอนน้อมเข้ามาถึงตอาแล้วพระพุทธเจ้าวางศาสนาในตนของเหล่านี้ท่านไม่ได้วางอื่นไกลนี่เป็นหลักพุทธศาสนาะท่านวางศีลสมาธิปัญญาไว้กิจบที่ ศีลท่านก็นไม่ได้ว่าอื่นเป็นศีลพากันพิจารณาดูเถิดสงังรวมกายนสังรวมวาจาสังรวมใจให้เรียบร้อยเราไม่ทำโทษน้อใหญ่ทางกายทางใจของเราแล้วนี่เป็นอย่างนี้ท่านบอกไว้ศาสานาอยู่ที่กายที่วา